2. อัอัฏครุธรรมะว่าด้วยคุธรรมแดข้อพระผู้มีพระภาคปรัสตอบว่าอานนท์ ถ้าพระนางมหาประชาบดีโคตมีรับครุธรรมแปข้อนั้นแหละจงเป็นการอุปสมบทของพระนางมหาประชาบดีโคตมีนั้นคือหนึ่งภิกษุณีถึงจะออกบวชได้หนึ่งร้อยพันษาก็ต้องทำการกราบไหว้ต้อนรับทำอัญชลีกรรมทำสามีจิกรรมแก่ภิกษุผู้บวชแม้ในวันนั้น ทำข้อนี้พิสุณีพึงศักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตสองพิสณีไม่พึงอยู่จําพรรษาในอาวาสที่ไม่มีพิกษุทําข้อนี้พิษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 3. ภิกษุณีพึงหวังรมสองอย่างคือถามอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนทมข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 4. ภิกษุณีจำพรรษาแล้ว พึงปราราณาในสงฆ์สองฝ่ายโดยสถานสามคือได้เห็นได้ฟังหรือได้นึกสงสัยธรรมข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงร่วงละเมิดตลอดชีวิต 5. ภิกษุณีต้องครุธรรมแล้วพึงประพฤติปักขมานัต ในสงฆ์สองฝ่ายทำข้อนี้ภิกษุณีพึงศักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตหกภิกษุณีพึงแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายให้แก่สิกขานาที่ศึกษาทำหกข้อตลอดสองปีแล้วทำข้อนี้ ภิกษุณีพึงสักกะระเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงบริภาทภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิด จนตลอดชีวิต8ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามภิกษุณีสั่งสอนภิกษุแต่ไม่ห้ามภิกษุณีสั่งสอนภิกษุณีทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตอานน์ ถ้าพระนางมหาประชาบดีโคตมีรับครุธรรมแปดข้อนี้นั้นแหละจงเป็นการอุปสมบทของพระนางมหาประชาบดีโคตมีนั้นลำดับนั้นท่านพระอานนท์เรียนครุธรรมแปดจากพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาพระนางมหาประชาบดีโคตมีถึงที่พักครั้นถึงแล้ว ได้กล่าวกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีดังนี้ว่าโคตมีถ้าพระนางรับครุธรรมแปดนั้นแหละจะเป็นการอุปสมบทของพระนางคือหนึ่งิกษุนีถึงจะบวชได้หนึ่งร้อยพันษาก็ต้องทำการกราบไหว้ต้อนรับทำอัญชลีกรรมทำสามีจิกรรมแก่ภิกษุผู้บวชแม้ในวันนั้น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 3. ภิกษุณีพึงหวังทรสองอย่างคือถามอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนทำข้อนี้พิกษุณีพึงศักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงร่วงละเมิดตลอดชีวิตจนตลอดชีวิต 4. ภิกษุณี จำพรรษาแล้วพึงปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายโดยสถานสามคือได้เห็นได้ฟังหรือได้นึกสงสัยรรมข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงร่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 5. ภิกษุณีต้องครุธรรมแล้ว พึงประพฤติปักขมานัตในสงฆ์สองฝ่ายทำข้อนี้ภิกษุณีพึงศักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 6. ภิกษุณีพึงแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายให้แก่สิกมานาที่ศึกษาธรรมหข้อตลอดสองปีแล้วทำข้อนี้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 พระนางมหาประชาบดีโคตมีกล่าวว่าท่านอานน์ดิฉันยอมรับครุธรรมแปดข้อนี้ปฏิบัติไม่ละเมิดไปจนตลอดชีวิตทีเดียวเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มผู้ชอบแต่งกายเมื่อส่งน้ำดำกล้าวแล้วได้พวงอุบลพวงมะลิหรือพวงลำดวนก็ใช้มือทั้งสองประคองรับไว้ เหนือศีสะฉนั้นต่อมาท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับครันแล้วถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับคุธรรมแปดข้อแล้วพระมาตุจฉาของพระองค์อุปสมบทแล้วพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์ถ้ามาตุคามจะไม่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วพรหมจันท ร, ร์จะดำรงอยู่ได้นานสัตรธรรมจะดำรงอยู่ถึงหนึ่งพันปีแต่เพราะมาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบัรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้ว บัตรนี้พรหมจรรย์จะดำรงอยู่ได้ไม่นานสัตยธรรมจะตั้งอยู่ได้เพียงห้าร้อยปีเท่านั้นอานอนท์ธรรมวิเนยที่มีมาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะไม่ตั้งอยู่ได้นานเปรียบเหมือนตระกูลหนึ่งที่มีสตรีมากมีบุรุษน้อยจะถูกโจรปล้นทรัพย์ทําร้ายได้ง่าย อา n น, นธรร ม, มวิไยที่มีมาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะไม่ตั้งอยู่ได้นานเหมือนหนอนขยอกที่ลงในานาข้าวสาลีซึ่งอุดมสมบูรณ์ก็ทำให้นาข้าวนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานอา n น o นธท ร, ร ม, มวินันที่มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะไม่ตั้งอยู่ได้นาน เหมือนเพลียที่ลงในไร่อ้อยที่อุดมสมบูรณ์ก็ทำให้ไร่อ้อยนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานอานนเราบัญญัติคารุธรรมแปดแก่ภิกษุณีทั้งหลายซึ่งภิกษุณีทั้งหลายไม่พึงละเมิดไปจนตลอดชีวิตก็เหมือนคนกั้นทมนบที่สะใหญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกไปฉะนั้นอัฏฐคุรธรรมะจบ